พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าชีวิตต้องสู้หลวงพ่อสีวาหลวงพ่อบอกใสียไหม้หลด หอมบอให้ลูกหลานฟังคักๆบ่ได้บ่ได้ให้เที่ยวดาวฟังวัไปเที่ยวดาวเพื่นชีฟังกับชุดแทแต่เห็นลูกหลานนางฟังกบนะับบอหลดน้าใช้ไม่ให้ได้ยินชัดเจนพอ น, นันเอ็มพี่สามของหงพรเนี่ยทุกแผนพูดเร็วเสียงชัดแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นอันนั้นตามสไตล์ของไผของมันว่จะ้สะสไตล์ลงพ่ออินกไปมีทั้งชาดกมีทั้งยังคบวัดวัอนออกไปยุ่งหั น, นวอาออแต่ก็เป็นที่ น, นั้นก็ได้ละแังหมื่ว่านหมู่ก้อนเลยสองตายย่า่มาจากจังหวัดเชียงใหม่อายุเจ็ดิบกว่าละ่ะเป็นด็อกเตอร์ทั้งครูด้เป็นดอกเตอร์ทั้งครูจบจากจุฬาปนะ่ะทํางานลูกพีนลูกซีดลงตาแล้วเกษียณอะไรล่ะบันอายุเจ็ิบกว่าดิฉันเป็นลูกซีดลงตามายี่สิบกว่าปีดังนั้นลงตาให้เทพแล้วก็ให้ประวัติปฏิปทาพุทธรวงกรรมฐานประวัติดิฉันไปอ่าน แล้วก็ฟังเทศหลวงตาเข้าใจแต่พยายามพูดให้แฟนพังแฟนเลยเป็นนักเต์เหือนเนี่ยแฟนบอกเข้าใจผู้ชายนะแฟนบอกเนี่ยก็บอกเข้าใจเทไงไปฟังเขาไปลฟังเทศหลวงตาบอกเข่าใจมันเป็นยังไอแต่มากงานงานของหลวงตาในรนะบาลเนี่ยงานหลวงตาในหลว ง, งพ่อขึ้นไปเทศเอไปเทศในงานหลวงพ่อบอกเนี่ยเหมือนเสาเปิงในโทรทัศน์ออาจารย์องค์นี้เบอกเข้าใจไว้สินะ เ, เออเออ องค์นี้บ่เข้าใจว่าท่นเอยถึงได้ต้องไปกราบขึ้นให้ได้เราสันลูกปูไทยองค์หนึ่งลูงพอินนี่องค์หนึ่งว่าท่นเลยฟังเขาใจว่าท่นเนี่ยว่าเมื่อว่าเนี่ยโพโลกทะเลมหาลงพ่อเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยพอบ้านของดิฉันนี่ฟังเทศลงพ่อนี่เข่าใจว่าท่านไหวฟังเทศลงตาบ่เข้าใจว่าท่นไหวสร้างวาแต่ทานี่ว่าแต่ในนี้เรามาหลายคนคือกันนะในนี้มาหลายคนคือท่าฟังเทศลงตาโดยมาลงตาเทศ เออข้าใส่ซับสูงเพิ่นใส่ซับเปิดริยาเอาหนไปอแต่หลวงพ่อนี่ใส่ซับมวยเลียงควายเอน่อไป <c oughs> โดยมากเขากว่าหลวงพ่อนี่สอบเราชาติรกสันเข้าปะาชาติรกก็เป็นเรื่องเปรียบเทียบใกล้ๆกันว่าถ้าว่าเปรียบเทียบในยุคสมัยนี่อขั้น air, ปุรย์อ่อนแอพระพุทธเจ้าเพิ่งกล่าวได้ชาติาก้อนเนี่ยหาเป็นผููเข็มแข็งห้าบอ่อนแอพวกท่านทั้งหลายจะอ่อนแอได้จังใด พระสงฆ์ทั้งหลายสมัยใดพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าเข้มแข็งเ่อย่อท้อเพิ่นกับว่าเป็นชาติรกขึ้นมาแล้ววันนะบอกว่านนี้สมัยนั้นเข้าไปเฮียนดังสีจบมาแล้วอาจารย์มอบออาพุธไห่เข้าทะนูให้เข้าด่าไห่เข้าตะพธให้เข้าอบมืดเข้าก็ถือไม้ เ, อ เ, อ เ, อเอข้าจะไปทางใด น, นี่เอขั้นไปทางนึ่งขั้นมันไปทางท่างโค้ง มันเขาโค้งปวดไปทั้งซื้อเขาก็บว่ามีมีอวมนุตมีพวกหยักเ ป, ปิดทำไงเคยดักกลินคนมาเฮาเคยมีอาวุธทั้งครบปานเ้ท่าจิไปย์ยานยังวะแต่ไรก็จะไปล่องาอาวุธปังจักรกลข้าวเหนียวกันเลยเดินทางมาทางหลัดพ่อมากับมาเกิดเขามาหอดกลางตรงเลยเฮติหลีบานีหยักตนนั้นอะไก็มาออกมากขวางทางเดีวไปพ่อมาเอเ้ยมาไล่กัไปไหนเดียวเน่ย จะเดินไปทางไปกรุงพระราศีมาสินะมากับใครอ่างรู้จักไม้ทางนี้เป็นทางอันตรายเล่นะเนี่ยเรานี่คืออมนุษย์เป็นยักษ์มาสินพร้อมที่จะจับกินคนใดทุกคนมาสินะทางนมเนี่ยเขบอกว่าเล็กนะยักษ์ข่าวพรเจ้าจะไปกรุงพระราศีไปเมืองของข่าวพรเจ้าทางไปทางมั่นยังม่ยุ่งกันนะอ้าวทาไมอะนนั่นนะเดี๋ยวเธอจะต้องเป็นอาหารนะทางนมนนนเนี่ยย า, าในยักษ์นะจะขางม้าไก่นะ เธอน่ยลู่ลิดของข้าวไปเจ้าน้อยไปสันเนี่ข้าวไปเจ้ามีอาวุธทั้งหาที่จะสังหารท่านใดกันแล้วกันนี่ก็น่าสันนี่แต่ทางแยกอยากเอาเอาเลยสันนี่ขึ้นนั่นมาสันนี่อ ย, ยากไปไม่อยาขนเหนียวมาเนี่ขนเหย้าลไปสุ่ยลุยอยนลไปตอนนี้ก็ถอดตะนูออกมากกับโกงเต็มที่เราลงไปอาบยาพิษอีกต่างหากเลตามหลักวิชาของอาจารย์สอนใหลล้เรานงไปใส่นหนาวจะก็ตก๊อกมาเนี่ เป็ดติ๊กยูขนหยากเหมือนมันขนมันเหนียวเลยหอยตองแหลงอยนเอนยิ่งแบบรั่วเรวลยหายซบดอกนี่ไปมดแข่งแสงวันเลปโอ้บ่ออะมันไปดติ๊กขนขนมันเออพอยิ่งเสร็จแล้วกระโดดอมาอีกยักกระน้เขอกมาอีกเมื่อก่าเขามาได้สันดาบกูมีน้าได้สันเนี้ยหยักกระยังยาออมาโดดเข้าไปเอาดาบไปฟันวันไไปเออพ่อดาบฟันเสร็จแล้ว ดาไปติดจุขนอยากกี่คนออกไปโตโตเอกคนไปเดี๋ยวเอาหอกกุศลเนี่ยมึงอยากมาไกลนะหอกกุมีดาวกุศลกู้ศีรษมึงพุ่งมึงทะลุก็แล้วกันอยากกัญญาเขาบอกกู้ศีรษะเอกไปติดขนอีกพวนี้ชวยกันขอนตะพดแล้วบาดกู้ศีตีนะแขงมึงบาดนกุศเนี่ยมึงขามากกลกุศลมัดไปมดไปได้ได้เป็นอาวุธอาวุธที่มันเก่งกนไปเอาไว้หอกอนตีตีเต็ดเต็ดมึงอยากเข้ามามามา กูกำปั่นกูมีอีกนะวะ่านเนี่อเขามาเลยถ้ากำปั่นตีกันตีก็เต๊ะกับปั่นใส่กระปั่นขวาเอาหนัาแขงสัดกอีกเต๊ะหนาแข้งเอ้าปา ก, กั่ตีวนออไปไปบวยบ๊ย่อยมถอยวนไปเออนี่แหละเฮ็ดยังคือกันบ้านนี้พ่อยักป้าโทรท่นมันป่านนี่ท่านกูเคยกินข้นมันี่กับบมันปูป่านนี่นะว่นพ่อเห็นว่ายักก็นแลก็ตาเหลืกอกแล้ววะทตายทั้งเป็นแล้ววะท่น อันนี้ม่สร้างเก่งปณิถเท่าันยังคุยอีกเลยมึงอจะกินกูนายักเท่านันแตการมึ่กินกูนี่เมึงนาได้กูนี่มีมีของกายยัิสเท่าทันถ้าเมึ่อกินกูเข้าไปน่มึท่องมื่อกะเพาะมื่อทะลุเรื่อยๆเท่านี้ครูสัญญาเกี่วนถ้ามึ่กินกูเข้าไปมึ่อกะเพาะเมึ่ทะลุเรยแล้วแต่มึ่ตายเลื่อยๆเท่านี้กัรมึ่คืนกินกู อยากมัน ก, ก็ร์ยานตา ย, ยกันเดียวเดไปพุทธูครูมันเห็นมันโมเคยเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหโถโถโถเจ้าสะไปใส่ออืนนผมจะไปกรุงพระนาศีนนเออเลาไม่เคยเห็นคนที่กล้าถึงขนาดนี้เลยเจานี่สูงถึงขนาดนี้เลยถ้าเล่าคื่นกินแก่เนี่ยข้าเนี่ยจะต้องถูกบาปกรรมอีกต่างหาดแล้วอาจจะเป็นผิดอย่างเถอะนะมันว่าวผิดขึ้นยังไงกิน ถ้ากินเล้าเขาไปเนี่ยกินเพชรเนาะสันเนี่ยเพชรมันจะตัดกระเพาะของเธอนาะเพิร์บอลวันนี้เพชรนี่คือปัญญาของเฮ้าคนเอพราะผู้บริษัทพูดว่าเพชรนี่คือปัญญาของเฮ้าวะสันคนว่าเนี่แหละมันต้องสู้สันเนี่ยสู้จนสุดความสามารถพลอยนั้นพวกทันทั้งหลายจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามอย่าไปทําหมืนยังอ่อนออนออยออออเอ็มให้ได้แต่ต้องสู้เกิดมาต้องสู้พอแห้งแล้วสันไปสู้บด ถอยได้จังไหเห็นไหมขนาดเล่าสูงกับยาเข้าจึงใสอาวุธปุ๊บทุกทุกตัวเอใช่กระถางปัญญาเข้าปรนที่สุดเข้าเอาตัวหลอดได้ในมาค้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินค้องของุงพระรานาสิสมัยนั้นเขาเป็นกุ ม, มารเป็นโพธิสัตว์เป็นลูกของพระเจ้าพระราชนิสีกลับมาในค้องหลาดนี่แหละให้พวกท่านทั้งหลายฟังไว้นะเกิดชีวิตต้องสู่ถอยบอ่อได้นี่แหละ หลวงพอ่อสอนคนมันก็แม่นังได้เมนบัวระวังคนมันบัสู้เมนบัวล่ะอทำมั น, มนมยังอออยเอ๋ยหลวงพอ่อเคยสอนนะพวกเสียทั้งหลายหนะ้อาอทําการทํางานทํามากค่าขายพ่อจะลืมตาอาปากได้เขาเอืนอเอเ่น้าเสียอเสียแซงแซะผุนแซงแซะผีเอาไปมากาเสียเลยหัวทิมบอหายมิดไปจะไม่ไปไปใส่ปูหูเนาะพราเหตุไดเพราะเป็นหนี้เป็นศิลนแล้วอมันเที่ยวมันตี มันพอทาการทํางานมันพอสูนี่แหละขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้ทําการทํางานนะให้สูเนะชีวิตต้องสูต้องหูวจักขันเอา้นเทา น, นี่เกิดมาแล้วสูหัวจักการหูวจักงานหูวจักสิ่งควรทําบกควรทํำออันไหนสิจิ๊ปหายอันไหนสิจะเลื่อนวพวกพวกเข่าเบิ่งแหลมนั่นแหละมันมีแต่ความจะเลื่อนลุงเลื่อนเนี่ยตะกิดทรือทำใดจังสัตถานาว่าพวกเข่าโวา บ่ได้ใส่ความคิดทังสันเนาะบ่ได้ได้เลาะเลาะเละเลเป็นมือมือเบนเบนไปเป็นนักพจน์นักบวชก็บ่ดีบวเจะเล่นนักพจนักบวชไฟพระกรรมฐานเนี่ยเป็นเฮตยั้งเป็นให้ภาวนาหน้าที่ของพระกรรมฐานคือภาวนาทำจิตใจให้สงบบำเพ็ญทั้งจิตตพวนาเป็นสำคัญทั้งไฟปริยัติก็ให้เลี้ยนตำรับตำรา ศึกษานขนควาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหัวดใดมูดไดสิกขาบทไดประสูตรพระินัยพระอภิธรรมศึกษาให้เข้าใจเป็นข า, าวัตงาญโ่มก็คือกันทามหาเลี้ยงฉีบทามากหาขายให้สุดเจร็ดเพราะชีวิตของเฮากระหูงอยู่แล้วว่าเป็นของพะเทียงแท่แน่นอนหมหูก็่ปเขาสิไปมือไดเข้ากคนเจ้าซะแสวงหาทั้งสองอย่าง สอย่างขึ้นอย่างอาหารกายอาหารคิตอาหารใจอาหารกายเนะี่ยคือเนี่ยนะคือเขา้านาโพชนาะอาหารเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติเนี่ยนะคืออาหารกายส่วนอาหารใจก็คือศีอลธรรมอศีล ส, สมาธิปัญญาเฮาควรจะศึกษาคือกันขั้นบนูศึกษาเนะ่าจิรูใดจังไรเฮาควรจะศึกษาศีลธรรมเขาสู่คิตเขาสูจใจ้ใจใครพวกเฮามี ศิลหรือไมีศิลไม่ถ้ำในการประพฤติปฏิบัติอาหารเรื่องการข้องชีพพวกเฮากระยันในขาดตกบกพ่องในการหาปัจจัยซีปัจจัยซีจะให้ขาดตกบกพ่องและการหาถรำก็จาให้ขาดตกบกพ่องเพราะอาหารกายกับอาหารใจดิหลงพอเน่นแล้วยัาอีกว่าควนเฮากเกิดมาเไย ตายแล้วบอสูญหน้านะตายแล้วเกิดอีกเนี่บาปบุญคุณโทษมีแต่บางคนก็ติถามว่าหลวงพ่อขึ้นใจยังไงว่าตายแล้วบอสูญฮนะพระพุทธเจ้าคู่วายอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนะี่ยเพิ่นบอกไนดะ้เพิ่นเน้นนักแท้แท้วไปเพิ่นย่ำแท้แท้ว้ไปเออพระพุทธเจ้าเป็นบ่รมมาครู่เพินเ่นไปนั่งพระวนาเนะีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเอาร่างกายเป็นชั่วนหนึ่งอาช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 ว่าส่วนนามพระถ้ำคือจิตใจนะั่นนะอ่าคือนามพระถ้ำนะคือจิตใจนะออกจากรดออกจากล่างนะตัวนั้นสําคัญเลยพระพุทธเจ้าพูดว่าเนะี่ตัวนั้นเน่ยเป็นตที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจให้ความสนใจอย่างมากเรื่องหนามพระถ้ำเรื่องตัวผู้รู้เนะี่ยคือนามพระถ้ำเนี่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจไอ้มาโนภูพังขมาธร ม, มาเป็นบาลีนะ นี่แหะขอให้พวกเฮาลูกหลานทุกคนเนะให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเรื่องทางโลกการซอสแสวงหาเงินข้ามทรัพย์สมบัติก็จะให้ขาดตกบกพร่องสูงอย่างที่ว่านนะ่ะให้ยังพระโพธิจัดเป็นผ้าสู่แต่ส่วนทางถ้ำก็ให้สูงขื้นกันยาล่ายาถอยไหวพระสวดมนต์ให้นังภาวนาท้ำจิตใจให้สงบก่อนรับก่อนนั่นังสมาธิยาได้ขาด มือละหาหนาที่ซิปนาที่มื่อไดบงังวังพยายามนาั่งนั่นมื่อไดมีการธุระการงานหรือเอาการลดยอนพรบั่งแต่ว่านั่งภาวนาที่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบนะแต่ว่าพวกเฮาจิตใจสงบเน่งเมื่อใดพวกเฮาไม่ต้องถามใครแล้วตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ อันไหนเกิดอะไรนศูนย์เข้าสู่หูจักเลยหูจักโดยตนเองศูนย์ในชัยร่างกา ย, น, ยนี่ยศูนแน่ตายแน่แต่ส่วนน้ามาถ้ำขึ้นจิตใจบอลศูนย์ตัวนั้นบอลศูนย์ที่ภาพไปเกิดที่พอเป็นเป็ดเป็นผีเป็นเที่ยวบุตรเที่ยวดาที่พวกเข้าเห็นผีเห็นผีเนี่ยคือเห็นวิญญาณ น, น, น, นะนะบางที่วิญญาณเขาก็แสดงปรากฏให้เห็นปรากฏขึ้นมาแต่วิญญาณมันเต็มไปทุกหัวะไห่ง แต่ละแห่งแต่ละหดเนี่ยมันคายๆคับว่ามันเป็นคืนไผ่คืนมั่นขึ้นกันขั้นหมุนถึงคืนจึงจงรู้จับพระพุทธเจ้าเพลิ น, น่มีวิทยุหลายคืนเนี่ยของเพลิน พ, เพอนเพลินบำเพ็ญมาแล้ววิทยุพระพุทธเจ้าในีหลายคืนหมุนไปเบิงเทวดาหมุนไปสู่พรมอหมุนไปเบิงเปรตเป็นสัตว์ที่รชานตกนรกหมุนไปเบงเห็นมืดเพระาะวิทยุของเพลินมันคืนเดินเข่าได้กับทุกคืนหันไปอพวกห่อเนี่คืนไผ่คืนมัน เอฟเอมจะมุนไปหาเอเอมกับบัวได้อันเี้คือกันนะ่ไพ่นั่นเชียงเหล่านั่นผูมิญาณทัศนะเพิ่นจึงหูได้เฮ้าต้องเชื้อพระพุทธเจ้าเชื้อพ่อแม่ผู้บ่ายจายนลงปูลงตาเนี่ยเพิ่นยืนแล้วยันอีกพวกนักภาวนาทั้งหลายเนี่ยเพิ่นถิดเมื่อจิตสงบลงไปเพิ่นจึงหูจักท่านที่เลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญใช่ร่างกายสั้งขาเนี่ยดินน้ำร่มไฟ่ร่างกายของเฮ้าเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายเนตายแน่แน่มันไปแต่สุดชิดใหญ่คือหน้ามรทําเนีคือรถเนี่ต้องพังก่อนเอาไปแต่ว่าคนขับรถเนี่ยต้องออกจากรถไป อ, ออกจากรถไปไปหาซื้อรถคันอื่นคันว่าคนขับรถเนี่ยมีทุนทรัพย์ในขณะที่ขับรถคันนี้อยู่เนี่ยแสวงหาทุนทรัพย์หาเงินหาท่องเก็บสะสมไว้โดยความบัวประมาทก็คิดว่าอีกสักวันหนึ่งรถคันนี้จะต้องพังน่ะ เมือ่อรถคันนี้พังเฮาก็จะดิสื่อรถคันอื่นอมาไวใส่ อ, อีกการว่าโซเฟอร์มีความคิดยังสั่นนะโซเฟอร์คนนั้นเกิดพอรถคันนี้ พ, งพังก์บ่ตกถูกไดอยากแต่บางโซเฟอร์บางคนอย่างบ่อเชืออีกต่างหากว่นเอาไปบ่อเชือยไปรถจะของสีพังกันาไปแต่ันก็ใส่ไปกูใส่ไปทั้งสิ่งล ะ, ะก บ, บได้คืดว่าปูยาตาย่ายปูถวดของเฮาหมู่ คณะของเฮ้านี่ยล่มหายตายตัวหนาตัวตาก็ยังโบเสืออีกไว้เจ้าของสีตายเข้ไปนี่ยเพราะเหตุไรเพระความหลงเพราะนั่นให้พวกเฮ้าคืดรุกคันธวาเฮ้าตั้งอยู่ในความบอประมาทเนี่ยและเฮ้าสแสวงหาคุณงามความดีสางบุญสางกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจคันธวเมื่อเฮ้าล่มหายตายจากลงไปเมื่อใดบุญกุศลที่เฮ้าได้เก็บหอมรอมริบเรือได้สังสมมานจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเฮ้า คนที่มีบุญคือคนที่ไปไปแล้วก็คือคนที่มีเงินติดกระเป๋าอะไรบ้างอ้หลวงวิญญาณอนะมีเงินติดกระเป๋าเต็มเป็นมิตรเพชรนิน่จีนดาทั้งหมดทิ่ไปไสก็ะไดบ้านอะที่ไปประเทศไดก็ะไดจะไปเกิดไสก็ะได เ, เพราะใดเพราะคนมีบุญเพราะคนมีเงินกันว่าคนบมีเงินเนี่ยออกจากล่างไปแล้วเฮ็ดจะไดนบ้าน เขาสิยูสิกินกระผมี้พบ่ได้ทำบุญสางบุญสางกุศลเอาไว้เพราคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็เลยพอได้เตรียมการอย่างเอาไว้เลยอันนี้เฮาพวกเฮาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญนาจะเป็นเรื่งสั้นนะหลวงพ่อว่านะให้เตรียมพร้อมเอาไว้นะชีวิตของพวกเฮาอย่างที่พวกเฮาเห็นเหตุ น, นะพ่อแม่ปุญ่าตายง่ยายญาติมิตรสหายตายเฮาเห็นกับมากตอมากมาแล้วพวกเฮาสิยูไปหอดมือได่ ที่หลวงพ่อดิพบพวกเห่ามือแล้วงคู่บาอ า, าจารย์ลงรยไปลงรยไปคูบาอาจารย์ก็มิถะเท่าแก้ไปหลวงพ่อเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นพระน่อยพระนมุมบ่านมาเห็นกรุกหลานมาเห็นข้าวเนี่ยก็ต้องแก้ไปหลายต่เอิบเขื่อนนะอเห็นที่ไหนมันแก่ดิแก้ไปหาหนังแก้ไปหาตายไตแก้หลากขาดหลากไปหลากไปลากไปไ ป, ไปหอดนาผาได้เห็นที่ไหนบ้านงัดล่องหิวเท่านั้นแล้วะ เป็นเร่องสชีวิตของพวกเฮาเราหาความสุขชีวิตในหาความสุขที่แท้จริงได้บ่อันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์บ่มีเลยเพราะนั้นให้พวกเฮาหาโลกในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้วพันว่าโลกหาในโลกหาได้หาดีก็ได้หาสั่วก็ได้หาโลกหาสวรรค์หาความสวใส่จกของก็ได้หาดีใส่จกของก็ได้เฮาสีหาหยั่งใส่จกของ่ะ อย่าไปหาแนวขี่ไล่ขี่เล่ใจเจ้าของนะหาแนลดีๆนะนี่ยใจเจ้าของหาบุญหากุศลใจเจ้าของแนวมันบดียาหาใจเจ้า ข, ของนะไปเนีย่ยพอเฮาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ผู้บ่ายจานันเพิ่นมิตรสอนให้เฮาทําดีเด้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทและลูกหลานเน้อตายแล้วบิดศูนเน้อนรกสวรรค์มีจริงอีหลีเด้ขันพวกลูกหลานอยากหุ่นจักว่านารกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายระศูนย์ให้ดังภาะวนาเน้อ ถ้าลูกหลานนางภาวนาจิตใจสงบร่วมลงเป็นหนึ่งเ่ะจะหูวงจักไดเลยร่างกายครับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันคือการลดกับคนขขาลดจังสลระนะเปิดถึงหูวงจักเลยเ่ยเพราะนั้นไอ้พวกเข้าฟังฟังไวถึงเห็ดโปรไก่ฟังไวงงไวา่าลงไปะทดลองบ้างอีกไห้นัางภาวนาบ้างอีกเพอเผิอบุญวาสนาบา ร, รมีของเข้าเก่าแก่มี่นางภาวนาวจิตใจสงบพวกเข้าจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยบาดเนี่เออแมนอิลี คู่บา่ายยานเพิ่นเบาไหวนะ่ะแม่นแท่ๆนียเพอาะมันเสือนบ่เป็นเสือในเปิดในเสือเนี่ยความประพฤติของเข้านี่เห็นอีหลีตายแล้วบกตายสิบหกศูนย์เี่ยเนี่ยพอนางพ่อห น, น้าจิตสงบจิตลงร่วมลงไปนี่จิตเป็นอันหนึง่งล่างกายเป็นอันหนึง่งจิตล่วงไปโอ้จิตหนีเด่นจริงๆอะลูซิว่าเด่นมากๆจิตใจของเขาเนี่ยจะหูได้โดยตนเองนะพนันพวกเข้าทุกคนเนะ ประกอบคุณงามความดีหลูกรานศรัทธาญาติโยมแล้ตอนนี้ไปรับพรในะวั น, นี้นะหลวงป่พอจะให้พรเนะี่ยพรจะใช่อะไรจิแจกหนังสือแจกเอ็มพี่สามเพื่อเป็นการศึกษาเอาไปฟังเทศของหลวงปู่หลวงตาเทศของหลวงพ่อคู่บาอาจารย์ไปฟังฟังไหวนะพวกเฮายาไปคิดว่าโอง้งนั้นเทศอนะไรโอง้งนี้เทศไหจะไปหาวิจารณคือกันกับพวกเฮาเห็นพ่อขาดไงนั่นะนะเออ เศรษฐีเมืองไทยแล้คนด้วยคนระยางกันเขาบอกมันคืเค็ดแนวเดียวกันเด้เอกแต่เขาหาก็ได็เงินขึ้นเขาไอันนี้คือกันคูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเพล่นพวนาของเพลินบางองค์กับเพลินทั้งเล่งทั้งปัญญาบางองค์ก็บเล่งทั้งสมาธิบางองค์กับเพลินเห็นอันนี้จังทุกข์างานตาเกิดความเบื่อหน่ายค่ายจิตแก่ของเพลินลดลพลนเพลินก็มาว่าให้เฮ้าฟังบนาย เฮาจะมาวิจารณ์เอ๊ะหลวงปู่องคนั้นจะมบบาบอกจังสี่องนี่จังสี่จะมบบาเบอกจังสันนะ่งเฮาให้ฟังไว้เฮามีหูสองขางฟังแล้วใส่ใจเอาไว้แต่ก็มา ก, กันกองไตรตองเฮานิสัยของเฮาสิเขาเขาองค์ใดใดที่เฮาฟังเบิ่งแล้วเออองคนี่กูบาอาจารย์อง์นี้เฮาย่อมรับไปเปิดบอกแม่นเฮาเข้าใจแท้แท้ไงนะอย่างที่หลวงพอวานะ่ยขนาดหลวงตาถ้ำอันสูงสุดที่เป็นเทศเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีปัญญาแต่บางคนก็ฟังบอกเข้าใจไะ หนึ่งท่านหละเป็นเพราะเหตุไดก็เพราะว่าจิตใจมันฟังบม่ใดมันหลับโม่ใดมันเปิดโม่ใดเขาก็จะเข้าใจอยู่แต่มันบอกเข้าใจอแต่ฟังองค์หนึ่งฟังเออเข้าใจองค์ไหนนะเข้าสิไปเอาองค์ที่เข้าใจเลยไปประมาทลงตาเขาบอแมน้นอลงนั้นเพื่อเป็นที่ยอมรับของขู่ขนอยู่นะเพราะนั้นเข้าต้องใจกว่างว่างไหวเดืองธรรมะอย่าไปประมาท คู่บาจา์เป็นบาปเป็นกรรมซื้อหลวงพอ่อในแนะนาสั่งสอนลูกหลานเนะเออเขารบองค์หนึ่งจะไปด่าอง์หนึ่งบ่ได้เลยลูกหลานนะบาปเนอะอย่าไปหาเฮ็ดเนอะเออต้องเขารบเป็นไว้แต่พ้นเฮ็ดพิษเฮ็ดว่ตถุชิ้นถูกถ้ำเออเข้าเขาว่พอเข้าเป็นพุทธตะพุทธจัตจีเขายังค่อยว่ค่อยว่าอันนี้เห็นเขาว่เพราะว่ากับว่ า, วาวไปตามเขาไงบ่ได้เลยบาปเลยหลวงพอวานะ